พวกเราก็ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้เป็นครั้งสุดท้ายคือพระปัจฉิมโอวาทก่อนที่จะทรงเสด็จ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 ก่อนที่จะจากพวกเราไปทรงมีความห่วงใยในสถานภาพของพวกเราที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นดังอย่างที่พระองค์ทรงได้กระทำมาประโยชน์นี้หมายถึงที่เพิ่งทางใจที่เพิ่ง ที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆทาให้จิตใจของเรามีแต่ความสุขเป็นบรมณ์สุขที่เรียกว่าปละมังสุขขังอันนี้เป็นประโยชน์ที่แท้จริงเป็นสรรณะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงส่วนใหญ่พวกเราจะแสวงหาประโยชน์ ที่ไม่ใช่เป็นของเราคือเป็นประโยชน์ของร่างกายหรือเป็นประโยชน์ของกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเช่นการแสวงหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขหางตาหูจมกูกรินกายเป็นประโยชน์ทางร่างกาย เป็นประโยชน์แก่กิเลสตัณหาความโลภความอยากแต่กลับเป็นโทษแก่จิตใจเพราะจะทำให้จิตใจมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปตามอํานาจตามกําลังของกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆถ้าพวกเราไม่ระลึกถึง ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราก็จะลืมไปว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็จะรุ่มหลงอยู่กับการแสวงหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกาย พอเวลาที่ร่างกายแก่ลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะตายไปเวลานั้นใจก็จะไม่มีที่พึ่งใจก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราจงอย่าตั้งอยู่ในความประมาทก็คือ ก็ให้เราระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอย่างเนืองๆ อ, อยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมเหมือนกับเวลาที่เราไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเราเป็นโรคร้ายมีเวลาเหลือไม่เกินสามเดือน ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายไปภายในเวลาสามเดือนเราคงจะไม่มีกรจิตกระจายที่จะสแสวงหาสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีกรจิตกระจายที่จะสแสวงหาลาบยศสรรเสริญสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายเพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้ ทำให้เร า, าหายจากความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากความตายนี้ได้เวลานั้นเราก็อยากจะหาธรรมะกันหาบุญหากุศลหาที่พึ่งทางใจกันซึ่งก็ปรากฏมีมาอยู่แล้วในอดีตสมัยหนึ่งที่หลวงตาท่านมีลุกสิธิ์ท่านหนึ่งก็ เป็นโรมะเร็งแพทย์ก็บอกว่ามีเวลาไม่เกินหกเดือนเธอก็เลยตัดสินใจขออนุญาตหลวงตาไปปฏิบัติธรรมที่วัดของหลวงตาหลวงตาบอกว่าถ้าจะมาก็มาได้แต่ต้องมาเพื่อปฏิบัติมาเพื่อภาวนามาเพื่อมาสร้างสาระที่เพิ่งทางใจอย่ามาถ้าต้องเอาหมอเอา พยาบาลเอ า, อาเครื่องรักษาร่างกายมาเพราะมันจะขัดกันมันจะทําให้ไม่สามารถสร้างสาระที่พึงทางใจได้คือต้องยอมสละเรื่องของความสุขของร่างกายต้องยอมรับสภาพของร่างกายว่าจะต้องตายอย่างแน่นอน จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการมาคอยดูแลรักษาร่างกายที่รักษาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะไม่ให้ตายได้ไม่ว่าจะเป็นร่าากายของใครก็ตามของพวกเราทุกคนนี้อยู่ในสภาพเดียวกันทั้งหมดเพียงแต่ว่าจะไปเวลาไหนเท่านั้นเองคนฉลาดจึงพยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่า เราอาจจะไปในเวลาในเวลาอันใกล้นี้ก็ได้เช่นวันนี้หรือพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าก็ได้เพราะเรื่องของความตายนี้ไม่มีใครจะไปกำหนดได้เป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนกับฝนฟ้าอากาศที่ไม่มีใครไปกำหนดได้ว่าจะให้เป็นอย่างไร ธรรมชาติมีเหตุมีปัจจัยของเขาที่จะทำให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ร่างกายของพวกเราทุกคนก็มีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันนะดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมเสมอหรือคิดอยู่เสมอว่าเราอาจจะต้องเป็นอะไรไปได้ ภายในเวลาอันแค่นี้ซึ่งหมายความว่าเวลาที่เราจะได้เอามาสร้างประโยชน์สร้างที่พึ่งทางใจก็จะมีไม่มากเมื่อเรามีเวลาไม่มากเราจะได้รีบขวนขวายสร้างที่พึ่งทางใจกันเสียแต่่เนิ่นแต่ถ้าเราไปคิดว่าเราจะอยู่ไปถึงอายุ8ป9 0บกสิบ ตอนนี้เราแค่อายุ20 30 40หรือ50เราก็ยังคิดว่าเราจะมีเวลามากมีเวลาเหลืออยู่มากก็อาจจะยังไม่รีบขนขนกวายสร้างสรณะสร้างที่พึ่งทางใจกันเพราะเรายังถูกอำนาจของความโลภความอยากคอยชักจูงคอยผลักดัน ให้เราไปแสวงหาความสุขทางราบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกนิ้นกายกั น, นดังนั้นพระพุทธเจ้าจิงต้องส่งสอนให้พวกเราระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้เป็นการาส ก, กัดอำนาจของกิเลสตันหาของความโลภความโกรธความหลงที่จะ หลักดันให้เขาไปหาประโยชน์ทางร่างกายซึ่งไม่ใช่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงคือเป็นความสุขชั่วคราวแต่ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเวลาที่ร่างกายมีเป็นอะไรไปถ้าเราล้ำลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้ ลีบขวนขวายสร้างสารณะทางใจกันเราก็จะได้รีบปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างขมักขม่นอย่างเอาจริงเอาจังไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อพอหอมปากหอมค อ, อมการปฏิบัติแบบหอมปากหอมคอนี้จะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ไม่เหมือนกับการปฏิบัติแบบเอา เอาจริงเอาจริงเอาเป็นเอาตายอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหลานทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายปฏิบัติกันท่านเหล่านี้ท่านปฏิบัติกันแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยยอมตายเพื่อที่จะแลกเอาสาระที่พึ่งทางใจให้ได้เพราะอย่างไรร่างกายก็ต้องตายอยู่แล้วทําไมเราไม่ให้มันตายแบบให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทำไมเราปล่อยให้มันตายไปโดยที่ไม่ได้รับประโยชน์เลยคนเราส่วนใหญ่วม่าจะตายไปโดยที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการตายของร่างกายไม่ได้ละไม่ได้สร้างที่พึ่งทางใจไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายมีต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์และคูบาาจารย์ทั้งหลายเท่านั้น ที่ท่านได้รับประโยชน์จากการตายของร่างกายหลวงปู่ขาวัดท่ากองเพลงท่านก็เคยตัดพูดไว้ว่านิพพานอยู่ฟากตายผู้ที่จะไปนิพพานนั้นต้องยอมตายต้องไม่กลัวตายต้องสละชีวิตต้องเอาชีวิตเข้าแลกถึงจะได้ไปถึงพระนิพพานได้เพราะอุปสรรคที่จะทําให้เราไปไม่ถึง ท่านิพานก็คือความกลัวตายความกลัวตายนี้ก็เกิดจากความหลงที่ไม่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานั่นเองร่างกายนี้เป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งพวกเราทุกคนเวลาเกิดมาเราก็ได้ตุ๊กตากันมาคนละตัวแล้วลเราก็ไปหลงคิดว่าละตุ๊กตาตัวนี้เป็นตัวเราเป็นของเรา เราก็เลยทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาของเราทั้งหมดให้กับการดูแลตุกตาตัวนี้และใช้ตุ๊กตาตัวนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราแต่แทนที่เราจะได้ความสุขและเรากลับได้ความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปอีกความสุขเราก็ได้แต่เป็นความสุขเพียงเล็กน้อยเป็นความสุขแบบยาวขมเครือบน้าตาล เป็นความสุขเคลือบความทุกข์ท่านั้นเองเวลาที่เราได้ทําอะไรตามใจอยากเราก็มีความสุขแต่พอเราไม่ได้ทําความสุขนั้นก็หมดไปแล้วก็ความทุกข์ก็จะตามมาเพราะเราอยากจะทําอีกแล้วถ้าเราไม่ได้ทําตามความอยากเราก็จะมีความทุกข์ใจนี่คือ ตุกตาที่เราหลงมาคิดว่าเป็นตัวเราของเราเราจึงไม่อยากจะสูญเสียตุกตาตัวนี้ไปกลัวว่าเวลาตุกตาตัวนี้ตายไปแล้วเราจะตายไปกับเขาด้วยกลัวว่าเราจะไม่สามารถหาความสุขได้เพราะเราต้องอาศัยตุกตาตัวนี้เป็นเครื่องมือเราต้องมีร่างกายนี้เพื่อที่จะได้หาความสุขทาง รูปเสียงกลิ่นรสผุพะทางตาหูจมูกเล่นกายถ้าร่างกายเป็นอะไรไปเช่นแก่ลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายก็จะไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายได้เมื่อเราไม่สามารถหาความสุขได้ใจของเราก็จะมีแต่ความเศร้าส้อยหงอยเหงามีความว่าเหวมีความบุบหลดต้องการใจ แต่ถ้าพวกเราได้สร้างความสุขทางใจได้สร้างสาระทางใจได้คือถ้าเราปฏิบัติ ต, ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้ตั้งแต่การทำทานการรักษาศีลการภาวนาไปตามลำดับใจของเราก็จะเกิดความสงบขึ้นมาไปตามลำดับความสงบของใจนี่แหละที่เป็นความสุขที่แท้จริง และเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขหรือความทุกข์ทางร่างกายเวลาที่เรามีความสุขทางใจแล้วถ้าเราไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ใจของเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเราสามารถหาความสุขทางใจได้ต่อเพราะความสุขทางใจนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือความสุขทางใจนี้ ต้องมีธรรมะเป็นเครื่องมือเครื่องมือที่จะทำใจให้สงบก็คือสติสมาธิและปัญญานี่เองถ้าเราจเจริญสติจนมีความสามารถที่จะใช้สติได้ทุกเมื่อทุกเวลาเราก็จะสามารถควบคุมใจให้สงบได้เป็นระยะระยะถ้าเราต้องการรักษาความสงบ ให้ต่อเนื่องอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญานี้จะทำให้ใจสงบได้อย่างถาวรส่วนสติและสมาธิจะทำใจให้สงบได้ชั่วคราวเช่นเวลาที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธนั่งหลับตาหรือกำหนดดูลมหายใจเข้าออกจนจิตรวมเข้าสู่ความสงบ เวลานั้นเราก็จะมีความสุขแต่เราจะไม่สามารถอยู่ในความสงบนั้นได้ตลอดเวลาไม่นานเราก็ต้องถอนออกมาใจก็ต้องถอนออกมาจากสมาธิพอออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้รับจากความสงบก็จะค่อยๆจางลงไปจางหายไปเหมือนกับน้ำเย็นที่แช่ไว้ในตู้เย็น เวลาเอาออกมาจากตู้เย็นก็จะพายความเย็นไปตามลนำดนับถ้าทิ้งไว้นานๆความเย็นนั้นก็จะหมดไปถ้าเราอยากจะให้ความสงบอยากจะให้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้คงอยู่ต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญาเวลาที่เกิดความอยากเพราะความอยากนี่เป็นเหมือนความร้อน ที่จะทำให้ใจหายเย็นหายหายสงบจะทำให้ใจเริ่มมีอาการกระวนกระวายกระสับกระส่ายเวลาอยากจะได้อะไรนี้ใจจะไม่นิ่งใจจะไม่สงบเพราะจะห่วงจะกังวลว่าจะได้หรือไม่เราก็ต้องสอนใจว่าสิ่งต่างๆ ท, ที่เราอยากได้นั้นมันไม่ได้ให้ความสุข ที่ดีเท่ากับความสุขที่เราได้จากความสงบแล้วนอกจากไม่ได้ให้ความสุขที่เราที่ดีเท่าแล้วยังแถมให้ความทุกข์กับเราด้วยเวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจเวลานั้นจะเกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเพราะสิ่งที่เล่าสิ่งที่เราได้มา มันก็จะให้ความสุขเราได้เพียงเดียวเดียวแล้วหลังจากนั้นมันก็จะจืดจางไปเพราะว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบาครับไปสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราได้อย่างตลอดเวลาถ้าเราพิจารณาเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันให้ความทุกข์กับเราเราไม่สามารถสั่ง ให้เขาให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเราก็จะได้ไม่อยากได้พอเราไม่อยากได้แนละ้วความสงมมก็จะกลับคืนมาใหม่พอเราหยุดความอยากได้ความสงบก็จะกลับคืนมาใหม่ดังนั้นเวลาที่เรามีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราจะมีกำลังที่จะสอนใจให้หยุดความอยากได้เพราะเรามีความสงบมีความสุขที่ดีกว่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักรักษาเหมันเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะไม่สามารถรักษาความสุขที่ได้จากความสงบนี้ได้เวลาออกจากความสงบมาแล้วพอ เกิดความอยากเราก็จะไปทําตามความอยากทันทีเราก็จะไปเปิดตู้เย็นไปเปิดโทรทัศน์ไปหาขนมนมน้อยมารับประทานไปหารายการอะไรต่างๆมาดูเราก็ได้ความสุขความเพลิดเพลินชั่วขณะหนึ่งแล้วพอเวลาผ่านไปความสุขนั้นก็หมดไปเราก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกเราก็จะต้องหาใหม่อีก แล้ววันหนึ่งเวลาหนึ่งเวลาที่เราไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้เวลานั้นเราก็จะหงุดหงิดนำคาญใจเศร้าส้าายอยง้อยเหงาว้าเหวนี่คือเรื่องของการหาความสุขทางร่างกายเึิ่เป็นการหาความทุกข์มากกว่านี่คือเรื่องของการออกจากสมาธิแล้วไม่ใช้ปัญญา ใช้ปัญญาไม่เป็นผู้ที่หลอกจากสมาธิแล้วถ้าอยากจะรักษาความสงบความสุขของใจที่เกิดจากความสงบนี้จะต้องใช้ปัญญาพิจารณาใจรักเสมอเวลาที่เกิดความอยากเวลาอยากได้อะไรก็ต้องพิจารณาให้เห็นสิ่งที่อยากได้ว่าเป็นใจรัก ถ้าเห็นว่าเป็นตายรักก็จะ <c oughs> ไม่อยากได้เพราะว่าการเห็นตายรักก็เ ป, เป็นเหมือนกับเห็นยาพิษนั่นเองเลยเห็นลูกระเบิดนั่นเองถ้าเราเห็นสิ่งที่เราได้มานั้นจะพ่นพิษใส่เราจะทำให้เราต้องทุกข์ใจเราก็จะไม่อยากได้ถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราได้มานั้นจะต้องระเบิดใส่เราจะต้องทำลายชีวิตของเราเราก็จะไม่อยากได้ นันใดการพิจารณาไตรลักก็เพื่อให้เห็นความทุกข์นั่นเองว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันไม่ใช่สุขมันทุกข์เพราะว่ามันไม่เทีย่ยมมันไม่ถาวรมันอาจจะสุขเดียวเดียวสุขตอนใหม่ๆสุขตอนได้มาแต่พอเวลาผ่านไปสุขนั้นก็จะก็จะหายไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุม บ, คบังคับให้เขาให้ความสุขกับเราได้ เสมอไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามของใหม่ๆนี่มักจะดีเสมอแต่พอใช้ไปนานเข้านานเข้าของก็เริ่มเสื่อมเริ่มชารุดเมื่อก่อนตามที่ได้มาใหม่ๆให้ความสุขกับเราแต่พอเก่าแล้วก็จะเริ่มให้ความทุกข์กับเราเพราะไม่สามารถทำตามที่เราต้องการได้เช่นนถยนต์ เวลาเราได้มาใหม่ๆเราก็สามารถขับไปไหนมาไหนใช้งานได้อย่างสบายแต่พอรถเก่าเข้าเก่าเข้ า, ข า, ขาถึงเวลาจะใช้ก็อาจจะใช้ไม่ได้จะสตาร์ทรถก็สตาร์ทไม่ติดก็ต้องไปเข้าอู่ไปเข้าอู่ไปซ่อมพอซ่อมกลับมาใช้ได้ไปอีกสักระยะหนึ่งก็เป็นอีกแล้วเสียอีกแล้วนในที่สุดเราก็ต้องเปลี่ยนรถยนต์กันใหม่ นี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีการเจริญและมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาส่วนใหญ่พวกเราไม่จะไม่มองความเสื่อมกันเรามองแต่ความเจริญเราจึงคิดว่าเป็นความสุขกันเราเลยนึกถึงเวลาที่เขาเสื่อมเวลานั้นเราจะไม่สุขเวลานั้นเราจะทุกข์กิด เช่นสิ่งที่เราลักสิ่งที่เราชอบถ้าเกิดเขาเสื่อมหรือหมดไปจากเราไปดังนั้นเราก็จะทุกข์กันเราไม่คิดถึงเรื่องของความเสื่อมกันนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราเระลึกถึงความเสื่อมโดยเฉพาะความเสื่อมของร่างกายก็คือความตายของร่างกายนี้เองถ้าเราไม่ระลึกแล้วเราก็จะลืมไป และเราจะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่เวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปมากขึ้นความเสื่อมของร่างกายก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นมากขึ้นความชราภาพก็จะมีมากขึ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีมากขึ้นนักษาโรคนี้เดี๋ยวพอรักษาเสร็จก็มีโรคใหม่ผล่ขึ้นมาอีกให้ต้องคอยรักษาอยู่เรื่อยๆ จนในที่สุดก็จะไม่สามารถรักษาให้หายได้ในที่สุดร่างกายก็ต้องหยุดทำงานร่างกายก็ต้องตายไปในขณะที่ร่างกายแก่ที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายไปนั้นก็ไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เวลานั้นใจถ้าไม่รู้จักการหาความสุขทางใจก็จะมีแต่ความทุกข์ใจ แต่ถ้าถ้าใจรู้จักหาความสุขทางใจโดยไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาร่างกายเกิดเป็นอะไรไปก็จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดยังสามารถหาความสุขยังสามารถสร้างความสุขหรืยยังสามารถรักษาความสุขที่ได้ทางใจได้ต่อไปเพราะความสุขทางใจนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขทางใจใช้ธรรมะ ให้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาดังนั้นพวกเราจึงควรพยายามเจริญสติสมาธิปัญญากันให้มากแต่ก่อนที่เราจะมีเวลามาเจริญสติสมาธิปัญญาได้เราต้องหยุดการทำภารกิจทางการหาเงินหาทองทางการใช้เงินใช้ทองก่อนเพราะถ้าเรายังต้องใช้เงินทอง เราก็ต้องหาเงินหาทองเมื่อเราต้องหาเงินหาทองเราก็จะไม่มีเวลาพอที่จะมาเจริญสติสมาธิปัญญาไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ <Yeah. S 1> ถ้าใจเราไม่มีศีลเท่บอริสุด <Yeah. S 1> การภาวนานี้จะจะจะยากเพราะว่าใจไม่สงบพอนั่นเองใจยังมีความวุ่นวายกับเรื่องของ การทำบาปอยู่เรื่องของวิบากของการทำบาปเยู่ใจก็จะไม่สงบพอที่จะทำให้สามารถเจริญสติเพื่อทำให้จิตสงบได้ดังนั้นในเรื่องต้นเราจะต้องทําทานก่อนทําทานไปจนกว่าเราจะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการหาเงินหาทองกับการใช้เงินใช้ทองเพื่อเราจะได้มีเวลา ลาจะริญสติได้อย่างเต็มที่มารักษาสีลให้บริสุทธิ์ได้อย่างเต็มที่ก็คือเป็นนักบวชนั่นเองการที่จะสร้างจิตใจให้ได้สงบอย่างเต็มที่เหมือนที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้สร้างกันเราก็ต้องอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอาหารหันต์ก็คือต้องออกบวชกัน พระพุทธเจ้าก็ส่งสละสมบัติข้าวของเงินทองสละลาบยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อจะได้มีเวลาที่จะมารักษาศีลมีเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิและมาเจริญปัญญาเพราะการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญานี้ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งวัน ตั้งแต่ตื่นจนหลับเป็นภารกิจที่ที่หยุดไม่ได้เพราะว่าเวลาใดาที่หยุดเวลานั้นก็จะเปิดโอกาสให้กิเลสตัณหากลับมาสร้างความทุกข์สร้างความอยากต่างๆให้แก่ใจแต่ถ้ามีการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องกิเลสตัณหาจะไม่มีโอกาสไม่มีช่องที่จะโผล่ขึ้นมา มาดึงใจให้ไปทําอะไรตามความอยากต่างๆได้อย่างนั้นถ้าเรามีเวลาที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วสิ่งแรกที่เราต้องหมั่นทําอยู่เรื่อยๆก็คือการเจริญสติการเจริญสติก็คือการควบคุมใจไม่ให้ไปคิดไปในทางความอยากหรือคิดไปในทางไหนทั้งนั้นต้องหยุดความคิดให้ได้ต้องควบคุมความคิดให้ได้ก่อน วิธีที่ควบคุมความคิดเราก็ต้องมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งผูกใจไว้อารมณ์ที่เราใช้กันส่วนใหญ่ก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าเราไม่ถนัด ก, กับการบริกรรมพุทโธเราจะใช้ร่างกายเป็นอารมณ์ผูกใจไว้ก็ได้เราก็ต้องเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาเฝ้าดูร่างกายเป็นเหมือนนักโทษไม่ให้ห่าง ไม่ให้ขาดจากสายตาเราไปต้องเฝ้าดูตลอดเวลาทุกขณะทุกเวลานาทีร่างกายอยู่ตรงไหนใจก็ ah. ต้อง right? เฝ้าดู อ, อยู่ร่างกายกำลังยืนใจ ก, นใก็ต้องเฝ้าดูว่าร่างกายกำลังยืนอยู่กำลังเดินก็ต้องเฝ้าดูกำลังทำอะไรต่างๆก็ต้องเฝ้าดูการกระทำของร่างกายไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาใจก็จะนิ่งใจก็จะว่าง เวลานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าออกเพ้าดูลมหายใจเข้าออกต่อแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิได้ <c oughs> ถ้าใช้การบริกรรมพุทโธตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ว่าเราจะทำภารกิจอะไรเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นอกจาก ความคิด ท, ที่จะต้องใช้กับภารกิจการงานในขณะนั้นเช่นเรากำลังทำงานที่ต้องใช้ความคิดตอนนั้นเราก็หยุดบริกรรมพุทโธไปก่อนเราก็คิดใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องการทำงานไปแต่ถ้าเราทาอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ความคิดเราก็ใช้พุทโธไปเช่นเวลาเราอาบน้าแต่งตัวรับประทานอาหาร เราส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็ใช้พุโทโธพุธโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าใจไม่คิดอะไรก็หยุดบริกรรมก็ได้ถ้าใจรู้เฉยๆรู้อยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นเช่นรู้อยู่กับร่างกายหรือว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่แล้วไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนนั้นไม่ต้องบริกรรมพุโทโธก็ได้ จะเฝ้าดูร่างกายไปอย่างเดียวก็ได้แล้วพอมีเวลาว่างก็ต้องนั่งสมาธิถ้าเป็นนักบวชแล้วก็จะไม่มีภารเกิการงานมากภารเกิจก็มีเฉพาะตอนบินตบาตตอนตอนฉันแล้วก็ตอนทําความสะอาดเล็กเล็กน้อยนอยพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเวลาว่างไว้สําหรับการเดินจนกงกรมนั่งสมาธิทําสลับกันไปเดินจนเมื่อย เมื่อแล้วก็มานั่งนั่งจนเมื่อยแล้วก็ออกไปเดินสลับกันไปเวลาเดินก็จะริญสติเวลานั่งก็ทำสมาธิก็จะริญสติต่อแล้วจนจิตรวมลงเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิเวลาจิตรวมเป็นสมาธิแล้วจิตก็จะไม่ทำอะไรความคิดต่างๆก็จะหายไปตอนนั้นจะเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ใจเป็นกลางใจเฉย ใจไม่หิวไม่อยากไม่มีความต้องการอะไรทั้งหลายพาอออกจากสมาธิมาถ้าถ้าเกิดความอยากตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาคอยระ ง, งับคอยสอนใจให้ให้หยุดความอยากไม่ให้ไปทาําตามความอยากให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่าไม่เที่ยงเพราะว่าไม่ใช่อยู่ภายใต้คำสั่งของเรา เราไม่สามารถสั่งเขาให้เขาให้ความสุขกับเราได้เสมอไปมีสิ่งเดียวที่เราสั่งได้ก็คือความสุขทางใจสั่งได้ด้วยสตสิสั่งได้ด้วยสมาธิสั่งได้ด้วยปัญญาสั่งด้วยปัญญาก็คือให้เราหยุดความอยากได้ความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งหลายพอเราหยุดอยากได้ความสุขแล้วความสงบก็จะหวนกลับคืนมา ถ้าเราหยุดความอยากไม่ได้ความสุขที่ได้จากความสงบก็จะจางหายไปก็จะทำให้เราอยากเพิ่มมากขึ้นพออยากได้สิ่งนี้แล้วพอได้มาแล้วก็อยากจะได้สิ่งอื่นต่อไปถ้าเราไม่หยุดมันก็จะพาเราอยากไปเรื่อยๆจนทำให้เราเกิดความเครียดเกิดความทุกข์เกิดความทุ้งร่านขึ้นมาเพราะว่าเวลาอยากได้อะไรมากๆแล้วไม่สามารถอยากไดตามความอยาก เวลานั้นก็จะทุกข์มากจะก็จะเครียด ม, มากดังนั้นเราไม่ควรปล่อยให้ใจเราไปถึงขีดนั้นจุดนั้นควรที่คอยสกัดความอยากอยู่เรื่อยๆควรจะทําใจให้สงบอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นนักบวชแต่ถ้าเรามีเวลาว่างพอเราก็ควรที่จะเอาเวลาว่างนั้นมาสร้างสารณนะสร้างชื่ี้พึ่งทางใจดีกว่า คือสร้าง ส, สร้างความสงบสร้างความสุขทางใจดีกว่าเอาเวลานั้นไปสร้างความสุขทางร่างกายสร้างความสุขจากการทําตามความอยากต่างๆเพราะเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยแล้วก็มีความทุกข์แท้มามากกว่าหลายเท่าด้วยกันนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณาอยู่เรื่อยๆเวลาที่เรากําลังทําอะไรกันอยู่ าให้เราถามว่าเรากำลังทำเพื่อให้เกิดความสุขทางใจหรือว่าเรากำลังทำเพื่อให้เกิดความทุกข์ทางใจถ้าเป็นการทำเพื่อให้เกิดความทุกข์ทางใจเราก็ควรจะหยุดเสียก็คือถ้าเราทำตามความอยากทางตาหูจมูกวิ้นกายทางรูปเสียงกิน่นสโลึกธระทางราบยศสารเสริญนี้เป็นการกระทำเพื่อ ความอยากไม่ได้ทำเพื่อเพื่อจิตใจไม่ได้ทำให้จิตใจสงบการกระทำที่จะทำให้จิตใจสงบนี้ต้องเกิดจากการทาทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนาเกิดจากการเจริญสติเกิดจากการนั่งสมาธิเกิดจากการพิจารณาทางปัญญาเพื่อระงับดับความอยากต่างๆนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะ คอยดูคอยสังเกตอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะในวันๆ น, นึ่างนี้ใจของเราจะไปกันอยู่สองทางซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปทางเดียวคือไปทางตามความอยากกันไปทางการห า, ราลาภยศสารเสริญหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาฟ้ากันนานๆจะมาทางทางธรรมกันสักพังหนึ่งเช่นวันนี้เรามาทางธรรมกันเนื่องจากมีโอกาส บางท่านก็อาจจะเป็นวันเกิดก็อยากจะมาทำบุญมาทาบุญมาทำประโยชน์ให้กับชีวิตของตนทาความสุขให้กับใจสร้างสาระที่พึ่งให้กับใจแต่การทำเพียงปีละครั้งนี้มันไม่พอเพียงก็ เ, เหมือนกับการรับประทานอาหารวันปีละครั้งนี้มันไม่พอที่จะรักษาให้ร่างกายอยู่ได้ ร่างกายเราถ้าไม่ได้รับประทานอาหารทุกวันเนี่ยร่างกายก็จะไม่สามารถอยู่อยู่ได้ฉนันใ้นใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราปีหนึ่งมาสร้างสราระสร้างที่พึ่งให้กับใจเพียงครั้งเดียวมันก็ยังไม่พอเพียเราควรที่จะสร้างทุกวันควรจะทำทานทุกวันแล้วก็ควรจะรักษาสี่งทุกวันแล้วก็ควรที่จะภาวนาทุกวัน มากหรือน้อยก็ดีกว่าไม่ได้ทำเลยขอให้เราทำไปให้มันติดเป็นนิสัยไปทำไปเท่าที่เราจะสามารถทำได้แล้วเราจะได้มีสาระที่พึ่งทางใ จ, จเจริญขึ้นมาตามลำดับจากน้อยขึ้นไปหามากเรื่องต้นก็ทำอย่างนี้ไปก่อนพอ จิตใจเรามีความสุขมากขึ้นเห็นประโยชน์จากการทำบุญให้ทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาเราก็จะมีกำลังใจที่จะทำให้มากขึ้นเราก็จะพยายามหาเวลาแบ่งเวลามาให้กับการสร้างสราระสร้างที่พึ่นทางใจให้มากขึ้นหยุดการหาความสุขหยุดหาความเจเริญทางทางลาบยศรเสริญ ทางตาหูจบูกลิ้นกายที่เป็นความสุขความเจริญชั่วคราวไม่ถาวรไม่เหมือนกับความสุขความเจริญของจิตใจที่เป็นความสุขความเจริญที่ถาวรเพราะจิตใจไม่ตายจิตใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายความสุขความเจริญที่อยู่ในใจก็จะไม่ตายไม่หายไปไม่เหมือนกับความสุขความเจริญที่เราได้รับจากทางร่างกาย พอร่างกายหมดสภาพไปความสุขความเจริญที่เราได้จากทางร่างกายก็จะหมดไปลาบยุทธจลเสริญความสุขต่างๆก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปเงินทองที่เราหามาได้เท่าไหร่ก็จะกลายเป็นของลูกของหลานไปเราจะไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้แต่ความสุขความสงบทางใจนี้เราเอาติดไปกับใจได้ไม่มีใครจะมาพลาจาก ใจของเราไปได้เป็นของเราอย่างแท้จริงน่าจะเป็นที่พึ่งของเราต่อไปจนกว่าเราจะไปถึงจุดที่เราไม่ต้องใช้อะไรเป็นที่พึ่งอีกต่อไป mm hmm. ก็คือเมื่อเราไม่มีความอยากแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญานี้ก็เป็นเพียงเครื่องมือที่จะคอย ปกปองรักษาใจของเราให้อยู่ในความสงบ พ, พอไม่มีความทุกข์แล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีศีลสมาธิปัญญาต่อไปใจก็เป็นใจที่เป็นอิสระเป็นใจที่ไม่ต้องพึ่งอะไรเพราะไม่มีโทษไม่มีอะไรที่จะมาทำลายใจได้นี่คือเรื่องของการไม่ประมาณ ทางเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันหนึ่งก็ควรจะเลเลิก อ, อยู่เรื่อยๆอย่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถามพระอานุน์ว่าอานุนวันหนึ่งเธอลเลิกถึงความตายสักกี่ครั้งเหมื อ, อ, นอนก็ตอบว่าประมาณสักสีห้าครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนพุทธเจ้าบอกว่าเธอยังประมาจอยู่ะ ถ้าเธอไม่อยากจะประมาทเธอต้องเอลึกถึงกความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะถ้าเธอไม่เลึกถึงเวลาใดเวลานั้นเธอก็จะลืมพอลืมแล้วเธอก็จะไม่มาสร้างสรรนณะสร้างที่พึ่งทางใจเธอก็จะถูกอำนาจของความหลงอำนาจของตัณหาความอยากหลอกให้ไปสร้างความสุขทางร่างกายซึ่งไม่ใช่เป็นสรรนณะเป็นที่พึ่งของใจ นี่คือสิ่งที่เราควรจะสังวรควรที่จะพิจารณาอยู่เนืองๆถ้าเราอยากจะสร้างที่พึ่งให้แก่ใจถ้าเราอยากจะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์อยากจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้ท่านที่ไม่ได้ อยากได้หนังสือหรืออยากจะได้ซีดียังไม่ได้รับก็ขอเชิญขึ้นมารับได้เยอแท่นที่อยากจะถวายเข้าของอะไรก็เข้ามาถวายได้ท่านมีปัญหาอะไรก็ถามได้ถ้ามีใครอยากจะถามปัญหาได้มาถามได้นะครับ การที่จิดมันพิจารณาพิจารณาตลอดเวลานี้มันเป็นการทุ่มต้้งหรือเปล่าครับเมื่อเมื่อจะทําไงที่ทาให้จิตมันดับตอนนั้นได้ค่ะหมายถึงต้องการหยุดจะหยุดพิจารณาที น, นี้มันต้องใช้สมถะาามาตึงกําลังก่อนใช่ต้องใช้อะไรเป็นอารมณ์ดึงใจให้หยุดคิดก่อนเช่ไหมแล้วนึกถึงพุโทโธพุโทโธไปแทนที่จะคิด พิจารณาเพราะบางทีการพิจารณาของเรามันมันไม่อยู่ในวงของธรรมะมันก็จะทำให้ใจฟุ้งซ่านได้ตอนนั้นก็ต้องหยุดชิดพิจารณาแล้วก็บังคับให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือจะใช้บทสวดมนต์ก็ได้ถ้าสวด บ, บทสวดมนต์ไปเรื่อยๆจนในที่สุดหยุดหยุดคิดได้การปฏิบัตินี้ถ้าไม่มีสมาธิ แล้วพิจารณานี่มันก็จะจะพุะ่งสร้างไดบบ้หรือแม้แต่มีสมาธิถ้าถ้าพิจารณาเลยเถิดก็พุ่งสร้างได้เหมือนกันคือเลยเถิดเวลาใจหมดเวลาสมาธิหมดกําลังแล้วมันก็จะพิจารณาแบบแบบแบบพุ่งสร้างไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลถ้าพิจารณาเป็นเหตุเป็นผลแล้วมันจะสงบ เช่นถ้าเราพิจารณาเห็นอะไรแล้วเราปล่อยวางได้มันจะสงบโดยนี้ใช่ไหมครับที่นาไปเกิดปัญญาใช่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นตายรักแล้วเราปล่อยวางได้ใจของเราก็จะสงบเช่นเราพิจารณาร่างกายเรนเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเราไปห้ามเขาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตาย ได้พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็หยุดหยุดหยุดที่อยากไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจของเราก็จะสงบตัวลงทันทีถ้าพิจารณาถ้าเป็นปัญญาแนละ้วมันจะสงบถ้ามันไม่เป็นปัญญาแนละ้วมันจะฟุ้งซ่านงั้นถ้าพิจารณาไปแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่สงบมันไม่ได้ข้อสรุปมันปรงไม่ได้วางไม่ได้มันปล่อยไม่ได้ มันตัดไม่ได้อย่างนี้เราก็ควรจะหยุดพิจารณาขอแสดงว่าสติและสมาธิของเราไม่มีกำลังมากพอตอนนั้นเราก็ควรจะกลับไปทำสมาธิก่อนอกลับไปบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปนั่งหลับตาไปจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบและหยุดคิดตอนนั้นก็เวลาที่หยุดแล้วก็ปล่อยให้เขาพักอยู่ในสมาธิให้นานที่สุดเท่าที่จะนอนได้ ตอนนั้นเป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารเป็นการพักผ่อนเสริมพลังให้แก่ใจพอออกจากสมาธิมาแล้วนะถ้าเรามาพิจารณาปล่ยรับอีกเราก็จะสามารถเห็นได้และก็จะปล่อยวางสิ่งที่เราหลงหยึดติดได้ถ้าปล่อยได้แล้วใจก็จะเย็นใจจะสงบจะไม่ฟุง้งเราก็สามารถที่จะพิจารณาเรื่องอื่นต่อไปได้ จนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันพิจารณาแล้วไม่ได้เหตุได้ผลไม่ได้ความสงบปล่อยไม่ได้ตัดไม่ได้เราก็ต้องหยุดพิจารณาเราก็กลับมาเข้าสมาธิใหม่ต้องทำสมาธิกับปัญญาสลับกันไปไม่ใช่ทำแต่สมาธิอย่างเดียวแล้วพอเข้าขั้นปัญญาก็ทำแต่ปัญญาอย่างเดียวต้องพอได้สมาธิแล้วพอออกจากสมาธิก็ให้ใช้ปัญญา พิจารณาไปพอพิจารณาจนรู้สึกว่าเริ่มพุ่งซ่าแล้วก็หยุดพิจารณาแล้วก็กลับมาพักในสมาธิใหม่แล้วค่อยออกพอจากสมาธิก็ออกไปพิจารณาใหม่ท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับคนตัดไม้เวลาตัดไปทกระยะหนึ่งแล้วแรงก็จะหมดมีดก็จะทื่อไม้ที่ตัดไม้ที่ฟันนี้ฟันเท่าไหร่ก็ไม่ขาด ท่าบอกว่าตอนนั้นก็ควรที่จะหยุดหยุดหยุดการทํางานแล้วก็กลับไปพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารพอออกมาจากการพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารแล้วก็จะมีกําลังแล้วก็รับมีไถ่คมพอมาฟันไม้ไม้ท่อนเดิมนั้นฟันเพียงสองสามข้างไม้ก็จะขานได้พอมีก็คมคนที่ฟันก็มีกําลัง ยัในใดการทำงานก็คือการพิจารณาทางปัญญาถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้หยุดพักผ่อนบ้างเลยมันก็จะเกิดการการการฟุ้งซ่านได้คือพิจารณาแล้วไม่ได้เหตุไม่ได้ผลไม่สามารถตัดกิเลส ต, ตัด อ, อุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้ตัง น, นั้นเราก็ต้องหยุดพิจารณาแล้วกลับมาพักในสมาธิก่อน พาคยังกระทั่งจิตอิ่นมีความสุขมีความสบายแล้วก็ถอนออกมาเองพอถอนออกมาเองแล้วเราก็กลับไปพิจารณาเรื่องเดิมนั่นแหละแล้วไม่นานเราก็จะสามารถปล่อยวางอุปทานตัดกิเลสตัณหาได้นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติตตลอดไปจนถึงขั้นสูงสุดเลยพอเราได้เข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วเราจะต้องใช้ปัญญาสลับกับสมาธิ ท่นเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับการเดินเราต้องใช้เท้าซ้ายกับเท้าขวาสลับกันไปเราไม่ได้ใช้เท้าเดียวถ้าเราใช้เท้าเดียวเราก็ต้องกระโดดกระหิงไปเราต้องใช้เท้าซ้ายสลับกับเท้าขวาจนเวลาเราก้าวเท้าซ้ายเราก็ไม่ได้ก้าวเท้าขวาพอเราจะก้าวเท้าขวาเราก็ไม่ได้ก้าวเท้าซ้ายเวลาเราทําสมาธิเราก็จะไม่เจริญปัญญา เวลาเราจะเรีนปัญญาเราก็จะไม่ไม่เข้าไปในสมาธิแล้วต้องผาดกันเวลาพิจารณาแล้วเหนื่อยหรือว่าไม่ได้เห็นได้ผลเกิดอาการฟุ้งขึ้นมาก็หยุดแล้ว่ากลับเข้าไปในสมาธิสงบระงับความฟุ้งของทำจิตให้สงบมีพลังใหม่ขึ้นมาแล้วค่อยออกมาพิจารณาใหมา่พิจารณาไปเรื่อยๆอย่างนี้ต่อไปมันก็จะขาดมันก็จะ มันก็จะปล่อยวางได้ไม่ว่าจะทำขั้นไหนก็ตามขั้นของพระโสดาบันขั้นของพระสติดาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ท่านก็ต้องปฏิบัติแบนี้ไปท่านต้องมีทั้งปัญญาและสมาธิสนับกันช่วยกันสนับสนุนกันไปแต่ถ้ายังอยู่ในขั้นสมาธิอยู่ยังไม่มีสมาธิที่ ที่ที่ชำนาญด้วยว่าที่ ท, ที่แน่ที่แน่นหนามั่นคงช่วงนั้นก็ควรที่จะเจริญสติกับสมาธิให้มากก่อนเช่นเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ควบคุมจิตให้อยู่กับพุโทโธบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปปัญหาปล่อยให้ไปคิดอะไรแล้วพอนั่งสมาธิก็ทันใจให้รวมเข้าสู่ความสงบ ฝึกไปจนเรามีพานชํานาญสามารถเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาอยากจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้ถ้าเราชํานาญแล้วเราค่อยออกมาทางปัญญาต่อไปถ้าเราไม่ชํานาญทางสมาธิเราออกไปทางปัญญาเวลาเราอยากจะกลับเข้าสมาธิบางทีเรากลับไม่เข้าไม่ได้ <Yeah. S 1> เพราะว่าเรายังไม่ชํานาญจนวนเราอาจจะเคยเข้าได้ครั้งสําคั้งซึ่งอาจจะยังไม่ ยังยังไม่รู้จุดยังไม่รู้จุดที่แท้จริงว่าเข้าไปได้อย่างไรอาจจะเป็นการแบบว่าเข้าไปโดยพลุกนี้รือที่เราไม่ไม่รู้สึกตัวเราไม่รู้ว่าเข้าไปได้อย่างไรพอข้างหน้าอยากจะเข้าอีกก็เข้าไม่ได้่างนี้แสดงว่าเรายังไม่ชำนาญเราต้องจับเคล็ดให้ได้ว่าวิธีเข้าสมาธิเข้าได้พอเพราะอสติเราต่อเนื่อง ปติเราใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอให้กำหนดดูลมหายใจเลือให้กำหนดพุดโทโธมันก็จะอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวหรืออยู่กับลมอย่างเดียวแล้วก็เข้าไปในสมาธิได้ทุกครั้งอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าวิธีเข้าสมาธิที่ถูกต้องเข้าอย่างไรพอเราเข้าเข้าเป็นได้ทีนี้เราก็ออกทางปัญญาได้พอเราพิจารณาแล้วใจพุ้งเราก็หยุดพิจารณาแล้วเราก็กลับมาเข้ามาในสมาธิได้ ถ้าเราไม่รู้จักวิธีเข้าสมาธิพอเราจะจะกลับเข้าสมาธิเราก็อาจจะเข้าไม่ได้งั้นก็ต้องพยายามฝึกสมาธิให้ชำานาญก่อนเหมือนกับก่อนที่เราจะเดินหรือจะวิ่งได้เราก็ต้องยืนให้ได้ก่อนยืนให้ได้มั่นคงก่อนไม่ใช่พอยืนลงมาปั๊บก็ล้มลงไปยืนขึ้นปั๊บแล้วก็ล้มลงไปเราต้องยืนนะยืนให้ได้อย่าง ยังมั่นคงก่อนแล้วรอถึงค่อยออกเดินออกวิ่งต่อไปเข้าใจนะมีอะไรมไหมการการการก า, ารเข้าสมาธิเวลาลืมตาจำหลับตาครับบนสำคัญมันจำเป็นต้องใช้คู่กันนะ คือการลตาหลตาหการเข้าสมาธินี้เราต้องการปล่อยวางทุกอย่างเลยเราต้องการปล่อยวางลูเสียงกลิ่นรสโผัพพะถ้าเรายังลืมตาอยู่นี่มันก็ยังมีการสัมผัสรับรู้กันอยู่โอกาสที่มันจะเข้าสู่ความสงบมันจะยากกว่ายากกว่าการหลับตาแตม น, ม, นมันจะยากแต่ว่ามีการที่เราการใช้ใช้การลืมตาแล้วก็ภาวนาคือให้มันเป็นจุดรวมครับ ันี้ก็ส่วนใหญ่เราไม่เคยได้ยินนะว่าใช้ให้การลืนตาเพื่อเข้าสมาธิส่วนใหญ่เวลานั่งสมาธินี้จะจะหลับตากันเราต้องปิดทวารทั้งห้คือตาหูจมูกลิ้นกายไม่งั้นมันก็จะมีการเข้าออกทางทวารอยูคือเห็นรูปใจก็จะปรุงแต่งกิเลสตัณหามันก็จะออกไปทางทางตาทางรูปได้ได้ยินแม้กระทั่งเวลาเรานั่งเราได้ยินเสียง ใจของเราบังทียังออกไปคิดตามเสียงที่เราได้ยินดังนั้นเรายังเคยที่รู้เหมือนกันว่าเวลาลืมตาเราเราเติมตัวลุงเข้าไปครับไม่รู้แต่ว่าไม่ต้องปรุงแต่าอัะนั้นก็เป็นการสงบแบบไม่รวมคือไม่ไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงสร้างแต่มันก็ไม่เข้าสู่ความสงบเียเต็มที่ที่เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิมันก็จะไม่มีกาลังมากพอ มากพอที่จะใช้ในการตัดกิเลสปัญหาถ้ามันรวมเข้าไปแล้วแม้แต่ร่างกายก็หายไปจากความรู้สึกเลยเพรต อ, อนนั้นจิตมันจะแน่นเป็นหินเป็นตัวของมันเต็มที่เลยมันไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายไม่เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายเพตอะ น, นั้นจะมีความรู้สึกที่แตกต่างจากการที่ยัง ติดอยู่กับร่างกายอยู่มันจะมีความเบา อ, อกเบาใจมีความสุขอย่างที่ไม่ไม่เคยพบมาก่อนอย่างชีวิตประจําวันของเร า, าคือว่าเราต้องมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าบ้านรถผู้หญิงผู้ชายมีทุกทุกอย่างที่มันจะเข้ามาในความรู้สึกของเราครับในตัวเนี้ยเราจะมานั่งัการหลักตาภาวาอย่างเดียวเพราะฉะับต่อมาตัวนี้มาเป็นตัวตัด ตัดให้เกิดละได้นะครับอ๋อถ้าเราจะตัดแล้วก็ต้องมองสิ่งต่างๆว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเห็นร่างกายของใครก็ต้องเห็นว่าเดี๋ยวก็ต้องตายไปหมดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปหมดเห็นสมบัติเก้าของเงินทองก็ต้องเห็นว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องกลายเป็นของคนอื่นไปเราต้องเห็นอย่างนี้เราถึงจะตัดมันได้ถ้าจะถ้าจะตัดในขณะที่ลืมตานี้ต้องใช้ปัญญาตัดอันนี้เลยเห ก็ถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีแรงที่จะตัดตัดไม่ได้รู้อยู่ว่าไม่ใช่ของเรารู้อยู่ว่าเป็นสมบัติชั่วคราวแต่ก็ยังอดที่อยากจะให้เขาอยู่กับเราต่อไปไม่ได้ยังอยากให้เขาอยู่กับเราเป็นานๆายนังอยากจะให้ให้เราอยู่กับเขาไปนานๆแต่เราไม่มีกำลังที่จะตัดจะปล่อยเขาตัวนี้ทาให้เกิดปุ๊บตายไหครับ ก็ได้ถ้าเกิดความอยากก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเกิดความเครียดต่างๆขึ้นมาเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้เนี่ยใจเราจะเครียดมากใจเราจะทุกข์มากฟุ้งซ่านขึ้นมาคิ ด, ค, ดคิดตรุงแต่งหาพยายามหาวิธีต่างๆนานาเพื่อที่จะทำให้เราได้าตามาความอยากของเราแล้วถ้ายิ่งคิดแล้วยิ่งไม่ได้ก็ยิงย่งยิ่งฟุ้งอหญยิงย่งเครียดใ่จอนอาจจะกลายเป็นคนบ้าไปก็ได้เสียสติไปก็ได้ ใชนนี้แาใช้ตัวนี้คือเป็นการยากสำหรับคนที่ปฏิบัติไม่ได้ใช่ไหมครับคือคนเราเนี่ยแต่ละคนมีบารมีมาไม่เหมือนกันบางคนมีบารมีมามากอยู่แล้วเพียงแต่พิจารณาทางปัญญาเห็นเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นอ น, นิจจังเป็นอนัตตาเขาก็เข า, ก, ขาก็ตัดได้ก็มีอย่างที่พระเจ้าทรงสอนบางทีมีคนถามปัญหา ครูพิทยาก็ส่งสอนแบบสั้นๆง่ายๆเขาก็ทําใจได้ยังส่งสอนบอกว่าให้สักแต่ว่ารู้เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นให้เห็นเฉยๆไม่ใช่เห็นแล้วเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาเห็นแล้วก็ปล่อยวางจะไม่เห็นว่าดีหรือเชื่อเห็นว่าเฉยๆเห็นดั่งใจก็เฉยๆไม่ยินดียินร้ายก็จะอย่างนั้นถนะึงจะเรียกว่าตับได้ ก, ก, ก็ปัญหาก็คือที่ความอยากนี่ความอยากทำให้ใจเราไม่สงบทาความอยากทำให้ใจเราเครียดทำให้ใจเราทุกข์ความอยากทำให้เราหิวไม่อิ่มไม่พอต่อให้เราได้มามากน้อยเพียงไรมันก็ไม่อิ่มไม่พอคนเราถึงต้องหากันอยู่เรื่อยๆได้มาเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไม่พอหยุดไม่ได้เพราะหยุดความอยากไม่ได้ เอาไม่รู้ว่าความอยากนี่เป็นต้นเหตุของปัญหาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมากหรือมีน้อยปัญหาอยู่ที่มีความไม่พอความไม่พอก็เกิดจากความอยากได้นั่นเองงั้นการจะทำใจให้พอได้เบื้องต้นต้องทำใจให้สงบ ก, ก่อนเวลาใจสงบนี่มันจะพอแต่มันจะพอชั่วคราวคือเวลาที่อยู่ในสมาธินี่มันพอมันไม่อยากได้อะไร แต่พออจากสมาธิมาความอยากที่ยังมีอยู่ในใจมันก็จะโผล่ขึ้นมาอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไม่ใช้ปัญญามาสอนใจให้อยู่ความอยากเราก็จะไปทานตามความอยากต่อแล้วเราก็จะกลับไปเหมือนเดิมแต่ถ้าเราใช้ปัญญาหรืออย่างน้อยใช้สติคอยควบคุมไม่ให้ไปคิดในเรื่องของความอยากให้เราคิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธต่อไป ความอยากมันก็จะหายไปชั่วคราวแต่ถ้าอยากจะให้มันหายไปอย่างถาวรเราก็ต้องเห็นว่ามันเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหลงยายปัญญาความสุขทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความอยากของเราเองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ถ้าเราอยากจะมีความสุขต่อไปอย่างถาวรเราก็ต้องอย่าไปมีความอยากห็่ ถ้าเห็นแล้วถ้าเห็นโทษของความอยากแล้วเราก็จะหยุดได้ถ้าเราเห็นความอยากนี้เป็นเหมือน ง, งูพิษอยูน่นี้เราก็จะไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากจะไปทำตามความอยากเราจเมทําต้อ ง, งรูง้จักนะครับใจโดยดีด้วยทำอะไรให้ทําด้วยเหตุด้วยผลถ้าจําเป็นก็ทําถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องทำเช่นสิ่งที่จำเป็นก็คือปัจจัยสี่ เราต้องมีปัจจัยสี่ถึงเวลาต้องรับประทานอาหารก็ต้องรับประทานอาหารอย่าให้รับประทานพอประมาณพอพอต่อความต้องการของร่างการอย่ารับประทานไปตามความอยากถ้ารับประทานตามความอยากมันจะรับประทานมากเกินไปอันนี้ก็จะทำให้อยากจะรับประทานมากขึ้นไปเรื่อยๆพอเราจงลดน้ำหนักกันไม่ค่อยลงถ้าเรารับประทานตามทางอยากกัน คือเหมือนเดินรนไปหาของกินร้านอร่อยร้านนี้อร่อย อ, อ, อิ่มแล้วก็ยังอยากจะกินอีกแต่ใจนู้นใจนี้อยู่ลนะท้องวัวพอแล้วแต่ใจบอกไม่พ อ, อเราต้องทําตามเหตุผลทําเหมือนกับเวลารับประทานอาหารเรารับประทานเหมือนกับรับประทานยาหมอบอกให้กินกี่เม็ดก็กินตามที่หมอสั่งไม่ใช่กินตามใจอยากว่ายานี้อร่อยเอาสักสิบเม็ดเลย ทำ น, นี้ไม่ได้เดี๋ว่าตายตายเพราะยาคนเราตายเพราะอาหารกันเชื่อนะตายเพราะเราประทานอาหารมากเกินเกินไปเวลาเราประทานอาหารมากเราก็โรคภัยใกล้เจ็บต่งตางๆก็มากขึ้นเย่างถ้าเราทําตามเหตุผลนี่ไม่เป็นความอยากแล้วจะไม่ทําให้เกิดความฟุ้งซ่านจะไม่ทําให้เกิดความอยากต่อเนื่องแต่ถ้าทาตามความอยากแล้วมันจะมีความอยากต่อเนื่อง ได้นีมาแล้วก็อยากจะได้นั่นอีกได้อย่างนั่นก็อยากจะได้อย่างโน้นอีกอยากได้ไปเรื่อยๆตัวนี้มันเหมือนว่าเป็นก่เลที่พ่อเคยตลอด้ใช่ตัวนี้แหะที่เป็นต้นต้นเหตุของความทุกข์ของเราเป็นปัญหาถ้าเราแก้ปัญหาต้องมาแก้ที่ความอยากต้องตัดความอยากทั้งหมดให้หมดไปความอยากก็มีสามเท่านั้นเองพระเจ้าทรงตรัสสอนไว้คือการมติหา ความอยากในรูปเสียงเกล็ดรถภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นหิือภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเวลาแก่แล้วไ hey ม่อยากแก่นี่มันจะทุกข์ใจมากเวลาเจ็บนั้นอยากให้มันหายอยากไม่ให้มันเจ็บนี่มันก็จะทุกข์ทรมานใจเวลาจะตายไม่อยากตายมันก็เหมือนกันแต่ถ้าเรา หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเราจะเฉยเฉยเราจะรู้สึกเราจะเหมือนกับรับรู้เฉยเฉยว่า อ, อ๋อร่างกายมัแก่แล้วนะร่างกายตอนนี้เขาเจ็บ่ายได้ป่วยล่างกายตอนนี้เขาจะตายแล้วนะก็รู้ไปดูไปเฉยเฉเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเป็นกับร่างกายใจเป็นเหมือนคนดูภา พ, พยนตร์ ร่างกายเป็นเหมือนตัวแสดงอยู่บนจอภาพยนตร์แต่ใจแต่คนดูบางทีก็อดที่จะไปตื่นเต้นหวาดเสียวกับตัวแสดงในในภาพยนตร์ไม่ได้เพราะไม่มีสติเผลอไปตัวไปคิดว่าตัวเองเป็นตัวตัวแสดงไปเนี่ยเพราะเราไม่มีสติไม่มีปัญญาแยกใจออกจากร่างกายไนปะเราปล่อยให้ใจไปคิดว่าเป็นร่างกายไนปะพอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาใจก็หวั่นไหว ทั้งทั้งที่ใจไม่ได้เป็นอะไรเลยใจเป็นเหมือนเดิมร่างกายแก่ไม่แก่ใจก็ยังเป็นใจอยู่เหมือนเดิมเพราะใจไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายนี่คือธรรมชาติของใจปัญหาของใจอยู่ตรงที่หลงอยู่ที่เผอไปคิดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ไปเดือดร้อนแทนสิ่งนั้นสิ่งนี้เองเป็นไปเดือดร้อนแทนร่างกายของเราบางทีก็ไปเดือดร้อนแทนร่างกายของคนอื่นถ้าเป็นร่างกายของคนที่เรารั ก, กนี่เราไปเดือดร้อนแทนเขาแล้ว ของพ่อของแม่ของสามีของภรรยาของลูกของหลานนี่พอเขาเป็นอะไรเราก็วุ่นวายไปกับเข า, าเพราะว่าเราไม่มีปัญญาคอยแยกไม่มีกรรมการมาหย่าสึกจพูดง่ายนี่แต่จะปล่อยให้เข้าไปตำลุบอนกันก็ไปผูกพันกันนวลเมีม่นนกันไปหมดนั่นเราต้องมีสติสมาธิปัญญามาเป็นกรรมการมาคอยแยกใจให้ออกจากทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ ไม่ใช่เฉพาะแต่ร่างกายทุกสิ่งทุกอย่าง ท, าที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยราบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายบุคคลต่างๆที่เราเกี่ยวข้องได้เราต้องแยกว่าเขากับเราเป็นคนละส่วนกันเราไม่สามารถที่จะไปไประจัดการให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้เสมอเขามีมีเหตุมีตัดใจ ที่จะพาให้ทำให้เขาต้องเป็นไปตามเหตุตา์ปัจจัยนั้นคือเขาจะต้องมีความเจริญบ้างมีความเสื่อมบ้างเขาจะต้องมีทุกข์บ้างมีมีสุขบ้างเขาจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปช้าหรือเร็วตายกันไปก็ต้องเป็นไปด้วยกันทุกคนเราต้องรู้แล้วเราต้องอย่าไปหลงเราต้องรักษาใจของเราให้รู้เฉย อย่าไปมีตัณหาความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้ใจเราทุกทำให้ใจเราเครียดทำให้ใจเราฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี้การปฏิบัติทั้งหมดก็เพื่อสอนใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าตอนตอนผมตอนนั่งสมาธิผมก็คิดถึงว่าตอน 13, ที่ผมอายุ13บสามทีผม คามรู้สึกก็เป็นอย่างนี้พออายุห้าิบปีก็เป็นอย่างนี้ออ 5, 10, 10, นนมันไม่มีการย่ำย่อยครับใช่จิตมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราถ้าเราเปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจิตของเราก็จะเปลี่ยนไปจากสภาพที่ย่ำแย่เป็นสภาพที่ดีขึ้นไปตามลำดับจนเป็นสภาพที่มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เลยเพราะเรารู้ทันเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราจเจริญรู้เสื่อมไม่ได้มาทําให้เราจเจริญรู้เสื่อมแต่อย่างไรเพราะถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่ยึดติดจะไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขตลอดเวลาอันนี้คือเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือทําให้ใจเราสุขทําให้ใจเราสงบตลอดเวลา จะสงบจะสุขจะสงบตลอดเวลาก็ต้องรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนภาพยนตร์เราเป็นเหมือนคนดูเวลาเราออกจากโรงภาพยนตร์ไปเราไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเวลาภาพยนต์จบพระเอกเขาอ า, า ก, การเป็นมาหาเศรษฐีมีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านแต่เราออกจากโรงภาพยนตร์ไปเราไม่ได้เอาเงินร้อยล้านพันล้านติดไปกับเรา อัในใดร่างกายของเราจะร่ำโดยขนาดไหนจะใหญ่โตขนาดไหนเวลาเราจากร่างกายนี้ไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรของร่างกายนี้ไปด้วยเลยให้เราคิดอย่างนี้ไม่ได้เอาลูกเอาหลานเอาสามีเอาภรรยาเอาญาติสนิทมิตสหายเอาลาบยศสรนรเนไปกับเราเลยใจ ก, ก็ไปมามาด้วยตัวเปล่าๆแล้วก็จะไปด้วยตัวเปล่าถ้าจะมาก็มากับความง้อทั้นั้นแหล เราจะเวลาไปนี่จะไปกับความโง่ต่อเลยจะไปกับความฉลาดถ้าไปกับความโง่ต่อเขาก็ต้องกลับมาโง่ใหมานีกแต่ถ้าไปกับไปด้วยความฉลาดก็จะไม่กลับมาโง่อีกต่อไปพระพุทธเจ้าพระอาหานต์ท่านยังไม่กลับมาเพราะท่านหายโง่นะพวกเรายังโง่อยู่เดี๋ยว ก, กลับมาโงา่ใหม่กลับมาเกิดใหม่อร่อยนะ จะให้พนะรเพื่อญาติโยมที่ต้องการจะกลับไปจะได้กลับไปได้ส่วนกายจะคุยต่อก็อยู่ต่อได้ยท้ า, ทาวาริวาฮาปูรา ป, ปรเปเรนติสาคัรเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปการปฏิยุติตังปฏิตางตุมหังคิดเ ป, ป้าเมวะสัมมิจตุสัเพปุรเรนตุสังกปา จันโทปันะระโสยถามมิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควีนาศสตุมาเตทวะทวันตระยุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีฤทธาฤทธังุทธาปจายโนจตารูธรรมวัฏานติ อายุวโนสุขงังภาลัง